ปกติแล้วเป็นธรรมะที่อธิบายค่อนข้างยากเนี่ยนะเพราะไม่ค่อยพบคําอธิบายมากนักเนี่ยนะมีอธิบายในจริยาปิดกนี่แนวหนึ่งที่ เ, เรียกว่าเอาอธิฐานธรร ม, มอธิฐานธรรม4ี่มาจําแนกโดยทานศีลขันติวิริยะฌานและปัญญาแต่ถ้าเป็นธาตุวิพังคสูตรก็จะจําแนกอีกแนวหนึ่งเนี่ยนะจำแนกอีกแนวหนึ่งระดับสูงอีกแนวหนึ่งนี้มาดูอธิฐานธรรม4ี่เนี่ยนะจำแนกศีล หรือเอาศีลมาจําแนกโดยอธิฐานธรรมสี่เช่นศีลเนี่ยนะเป็นเหตุใกล้ของอธิฐานธรรมสีเพราะว่าคนที่รักษาศีลเนี่ยนะทำให้ไม่ล่วงสังวรสมาทานอันนี้เป็นสัจจะใช่ไหมสัจจาที่ฐานว่าไม่ล่วงนะไม่ล่วงเพราะพูดแล้วว่าจะรักษาศีลก็รักษาซีก็รักษาศีลเอาไว้ได้ไม่ล่วงสังวรที่สมาทานเอาไว้หมายก็ว่าเหมือนปิดประตูไม่ให้บาปไหลเข้ามาพูดแล้วว่าจะไม่เปิดประตูรับบาป ก็ปิดประตูจริงๆไม่เปิดประตูให้บาปกรรมเข้ามาแล้วก็จาคาธิฐานก็เพราะสละความทุศีลออกไปได้อย่างเช่นยกตัวอย่างนั้นเซนข้อบางอย่างเนี่ยนะแม้สละชีวิตของเขาออกไปได้โดยที่รักษาศีลของตัวเนี่ยนะบอกปล่อยชีวิตศัตรูให้หลุดไปได้อย่างไรปล่อยลาบของคนอื่นที่ตัวเองฮุบมาเป็นของตนได้อย่างไรครับหรือแม้กระทั่งกลุ่มกาเมสุมิฉาจานเนี่ยนะสละโอกาสแบบนั้นไปได้อย่างไรเป็นต้นคนก็จะมีความคิด พันอาการสละความทุศีนออกไปแต่ละอย่างแต่ละอย่างนั้นจึงเป็นจากขาที่ฐานจากาที่ฐานเนี่ยนะคนที่จะรักษาศีนได้จริงๆเนี่ยนะต้องสละออกไปเพราะว่าเหมือนกับว่าคนต้องต้องคิดไกลๆมากจริงๆจึงจะสละได้เช่นว่าแหมศัตรูคู่อาฆาตสร้างแต่ความเสียหายแล้วเราฆ่าเขาได้โดยไม่ผิดกฎหมายด้วยเป็นต้นเนี่ยแหมจะทําไงหลังจาที่จะสละความทุศีนออกไป แมมของของคนอื่นถ้าเราจะโกงโดยที่เขาไม่รู้ตัวเลยนะไม่มีโอกาสรู้ตัวด้วยเป็นต้นเนี่ยทำได้แต่เขาไม่ทำเนี่ยนะหรือม่กระทั่งสมมติว่ากาเมสุมิช่าจารเนี่ยบางที่ก็ได้ช่องได้โอกาส ก, ก็อย่างไงก็ไ ม, ไม่ไม่ทำเนี่ยนะโถ้าพูดอะไรเขาก็เชื่อหมดเนี่ยนะพูดอะไรพร้อมที่เขาจะเชื่อไปหมดเลยแต่ก็ไม่ยอมโุสาวาทเนี่ยนะดืมม่มเมาก็ได้คนอื่นเชียร์ให้ดื่มโดยที่เรียกว่าคนอื่นก็ อนุญาตหมดเลยแล้วก็มีให้ดื่มเกลือนไปหมดแต่ก็ไม่ดื่มสุราเรียกว่าสละความทุศีลหรืออุโบสถเนี่ยนะสตังก็มีอาหารก็มีกลิน่นก็หอมหิวก็หิวก็ต้องสละออกไปได้เนี่ยนั้นแต่ละอย่างแต่ละอย่างนั้นจะต้องมีการสละนะนะรักษาศีลแต่ละข้อแต่ละข้อนั้นก็สละความทุศีนเหล่านั้นเหล่านั้นออกไปก็เลยเรียกว่าศีนดํารงมั่นอยู่ด้วย จากขาที่ฐานแล้วศีลที่ดํารงมั่นอยู่เพราะอุปสมาธิฐานเพราะสงบจากทุจริตเพราะว่าคนที่มีศีลนั้นสงบจากความชั่วทางกายสงบจากความประพฤติชั่วทางกายสงบจากความประพฤติชั่วทางวาจาและก็สงบจากความประพฤติชั่วทางใจเนี่ยนะอันนี้แหละด้วยอานุภาพของของศีล เรีว่าอุปสมาที่ฐานศีลที่ดํารงมั่นอยู่ได้ด้วยความสงบส่วนศีลที่ดํารงมั่นอยู่ด้วยปัญญาก็เพราะว่ามีปัญญาอันยิ่งจึงจะรักษาศีลได้ไม่มีปัญญาจริงๆยากที่จะรักษาศีลได้บอกบางคนเขาว่าโอ้ในสถานการณ์อย่างนี้จะให้เขารักษาศีลได้อย่างไรเนี่ยนะอ้างเหตุผลจนตัวเองไม่ได้รักษาศีลอธิบายได้ว่าทําไมตัวเองจึงไม่รักษาศีลแต่จริงๆก็เนื่องจากขาดปัญญานั่นแหละเล ย, เลยไม่สามารถที่จะ ดำรงมั่นอยู่ในกุศลศีลได้ฉะนั้นผู้ที่มีศีลโดยดำรงมั่นอยู่เพราะสัตว์จะดารงมั่นอยู่เพราะจะฆ่าดำรงมั่นอยู่เพราะความสงบและดำรงมั่นอยู่ด้วยปัญญานั้นจึงมีการเจริญงอกงามในคุณธรรมทั้งหลายได้ฉะ น, นั้นศีลศีลที่มีอุปสมะสีเนี่ยถือว่าเป็นศีลที่มั่นคงแน่นหนา มั่นคงแล้วก็หนาแน่นหนักแน่นมากเนี่ยนะแต่ถ้าศีลใดที่ไม่มีอธิฐานธรรมทั้งสีประการแหมงอนแงน่นงอนแง่นเต็มทีเลยนะเหมือนอะไรนะเหมือนอะไรที่มันปักกองแกลบเป็นต้นเนี่ยนะเหมือนไม้ปักแกลบเหมือนไม้ปักโครนเนี่ยก็งอนแงน่งงอนแงน่ง น, งนลักษณะนั้นนะศีลใดที่ขาดสัจจะศีลใดที่ขาดจาคะศีลใดที่ขาดความสงบหรือศีลที่ขาดปัญญาศีลเหล่านั้นประกาศถึงความไม่แน่นอน อันที่จริงอันนี้เป็นเครื่องตรวจสอบเลยนะว่าเช่นการให้ทานของใครเนี่ยนะทานของเขาจะแน่นอนขนาดไหนก็ดูจากว่าสัตว์จะของเขาเป็นยังไงสองการเสียสละของเขาเป็นยังไงสามเขาสงบอกุศลได้ไหมสี่ฉลาดหรืองโง่เนี่ยนะ ก็แล้วก็ดูได้เลยว่าอนาคตของฐานของเขาจะเป็นอย่างไรพระโพธิสัตว์ที่ท่านได้ให้ทานได้อย่างมั่นคงและต่อเนื่องก็เนื่องจากว่าท่านมีสัจจะมีจาระามีอุปสมะมีปัญญาดำรงมั่นอยู่นั่นแหละท่านจึงให้ทานได้สม่ำเสมอต่อเนื่องและไม่ท้อแท้ส่วนที่ท่านรักษาศีลได้เป็นอย่างดีก็เพราะท่านเมียที่ฐานธรรมท่านมีสัจจะที่ฐานท่านจึงได้รักษาศีลได้ ท่านมีจาคาที่ฐานท่านก็รักษาศีลได้ท่านมีความสงบนะยินดีในความสงบตั้งมั่นอยู่ในความสงบจึงรักษาศีลได้และท่านมีปัญญารู้ว่าทุศีลนี่อะไรจะตามมาเพราะทุศีลแต่ละข้อนี่คือภัยเวรทั้ง5ใช่ไหมการทุศีลนี่ก็คือภัยเวรการรักษาศีลก็คือปราศจากเวรวีรตีก็เรียกว่าพ้นเวรกำลังนั้นวีรตีก็พ้นเวรหรือทําลายเวรออกไปพันศีลที่รักษาได้ก็เพราะมี ปัญญาเนี่ยนะมีปัญญาทีนี้อดทนแหละความอดทนเนี่ยนะใครที่เป็นนักอดทนจริงๆก็ดูจากอธิฐานธรรมสี่ถ้าเขามีอธิฐานธรรมสี่ประการแสดงว่าความอดทนของเขาเป็นเยี่ยมพระโพธิสัตว์ทั้งหลายที่พระองค์มีความอดทนอยู่ได้เพราะพระองค์มีอธิฐานธรรมสี่ประการอธิษฐานธรรมสี่ประการคืออะไรอดทนตามที่พูดทุกอย่างเพราะได้พูดไว้แล้วยังไงก็ต้องทน เพราะได้พูดไว้แล้วเนี่ยนะอย่างหลายหลายครั้งเนี่ยเราสังเกตแม้กระทั่งเราทำอะไรหลายๆอย่างทั้งๆที่ไม่สู้จะเต็มใจนะแต่ก็ทำไงได้เพราะมันพูดไปแล้วเรียกว่าอดทนอยู่ได้ในสถานการณ์เหล่านั้นเหตุการณ์นั้นๆได้ก็เพราะว่าสัจจะเพราะดำรงมั่นอยู่ในสัจจะทำให้มีความอดทนคนที่มีสัจจะนั้นจึงเป็นคนที่มีความอดทนที่ทนอยู่ได้เพราะพูดไว้แล้วทาไง ถ้าไม่พูดไว้เย้ยยังไงก็ไม่ทนเหมือนกันที่ทนได้ก็เพราะกล่าวไว้แล้วปฏิญาณไว้แล้วพูดไว้แล้วเหมือนนนี้ต่อไปเนี่ยนะบางคนเนี่ยที่อดทนได้ก็เพราะสละการกําหนดถือเอาโทษของผู้อื่นคือไม่คิดว่าคนอื่นเนี่ยมีโทษก็เลยอดทนได้เขาผิดด้วยหรือเป็นต้นเนี่ยนะคล้ายๆกับอะไรนะเหมือนกับอย่างพ่อแม่บางคนเนี่ยลูกทั้งยิกทั้งเตียนะั้นลูกเล็กเด็กแดงเนี่ยนะ เวลาที่ลูกเล็กเลี้ยงลูกเล็กเด็กแดงครับไม่ทุบไม่ตีไม่อุจาระปัสสาวะรถมือรถอะไรเป็นต้นบ้างเลยหรือทําไมทนได้ก็บอกว่าก็ไม่เห็นว่ามันมีโทษตรงไหนใช่ไหมไม่ถือโทษโกรธเด็กก็เลยไม่คิดว่ามันมีโทษอันนั้นแหละลักษณะของจาราที่ฐานก็จาระทั้งหลายเป็นเช่นนั้นลักษณะของจาระเป็นอย่างนั้นก็เรียกว่าสละการกําหนดถือโทษของผู้อื่นไม่คิดว่าผู้อื่นนั้นมีโทษก็เลยอดทนไว้ได้ Down, เออเขาทําอย่างนั้นเออเหรอมันผิดด้วยหรือนึกไม่ออกว่าทำไมต้องโกรธกั้นบางคนนี่ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเออแค่นี้ก็โกรธด้วยไม่เข้าใจกวางั้นทําไมเรื่องแค่นี้ก็ต้องโกรธกันไม่เข้าใจกวางั้นเหตุการณ์แค่นี้ทําไมน้อยใจไปได้เออก็บมาคิดทําอะไรก็ไม่รู้คือบางคนเนี่ยไม่ได้มองว่าเออนี่มันเป็นความเลวร้ายอ่นะอันนี้ลักษณะของจ่าขาที่ฐานเนื่องจากดํารงอยู่ในจ่าขาที่ฐานก็เลยมีขันติ หรืออุปสมาที่ฐานเนี่ยนะคนที่มีขันติอยู่ได้เพราะเขาสามารถว่าเขาสงบความโกรธได้หรือบางอย่างเนี่ยนะเขาตัดใจที่ไม่เก็บเอามาคิดได้อย่างบางคนเนี่ยบางค น, นวลืมไปเลยว่าเขาทำผิดอะไรเขาบอกงั้นแค่ว่าลืมไปเลยก็เลยไม่รู้ไปเก็บมาผูกเวน้นเก็บมากโกรธเพราะนั้นก็ไม่ได้แค่ว่าลืมเหมนนะไม่เก็บเอามาคิดหมกมุ่นอย่างบางคนเนี่ยนะ ถูกเขาด่าที่หูครั้งเดียวอ่ะจะเก็บเอามาด่าในใจตัวเองไว้ย้ำแล้วย้ำอีกอยู่เป็นล้านล้านครั้งเนี่ยคิดแล้วคิดอีกเป็นต้นเลยนะบางทีเนี่ยเขาเขาอะไรนะทำให้เจ็บที่ผิวนิดหน่อยอ่ะนะซึ่งปกติตัวเองก็เดินชนนั่นชนนี่มากเจ็บกว่านั้นอีกแต่เขาไม่เคยเก็บเอามาคิดแต่คนนั้นมาทําเจ็บแค่นั้นอ่ะโอ้โมันทําให้เจ็บในใจเจ็บแล้วเจ็บเล่าเจ็บแล้วเจ็บอีกก็เลยขาด ขันติเพราะคิดหมกมุ่นเนี่ยนะอย่างคนอื่นสร้างความเสียหายให้ตัวเองนิดเดียวไม่กี่ตังเองเนี่ยนะซึ่งตัวเองไปทําอะไรเละเทเนี่ยหมดมากกว่า น, นั้นอีกแต่ก็ไม่ไอที่มากมายทํำไมไม่เก็บเอามาคิดแต่คนอื่นมาทําแค่นั้นทำไมเก็บเอามาคิดจังพวกนี้เขาเรียกว่าพวกหมกมุ่นแั้นถ้าสงบความโกรธสงบความคิดหมกมุ่นในความชั่วร้ายของคนอื่นได้เป็นต้นอันนี้ก็ขันติบารมีก็เต็มแน่นะถ้าเจริญได้ตามนั้นขันติก็เต็มเปี่ยมบริบูรณ์ แต่ที่แน่ๆกันนะต้องมีปัญญายแล้วคนโง่งทําไม่ได้แล้วว่างั้นคนโง่อย่าว่าทําเลยฟังยังไม่เคยจะรู้เรื่องไม่รู้ท่านพูดอะไรก็มไม่รู้เหม็นเข้าใจว่างั้นเพราะฉะนั้นตั้งดํารงมั่นอยู่ในขันติคนที่ฉลาดเท่านั้นแหละคือคนที่มีความอดทนคนที่เรียกว่าคนที่ฉลาดที่เรียกว่ารู้เหตุรู้ผลรู้อะไรเป็นอะไรจริงๆเนี่ยนะเขาทนได้พวกนี้รอได้คําว่ามีคนที่มีปัญญาเนี่ยจะรู้จักคําว่ารอ เพราะขันติบางทีนี่ก็แปล ว, ว่ารอใช่ไหมอดทนไม่วุ่นวายไม่กระสับกระส่ายเพราะเห็นประโยชน์เลยว่าเออรออีกแค่นิดเดียวก็จะสําเร็จประโยชน์แล้วก็เลยรอได้ก็ว่างั้นเขาบอกว่าหลายๆท่านที่ประสบความสําเร็จในชีวิตก็คือพวกที่รอเป็นรอได้เพราะอะไรเพราะมองออกว่าอะไรเป็นอะไรเนี่ยนะบางที่เหมือนเขามีความอดทนอะ่ะจริงๆแล้วก็คือเขามีปัญญาเข้าเลยมีความอดทนมันคนที่มีความอดทนนั้นถ้าดํารงอยู่ด้วยปัญญา อย่างพระโพธิสัตว์ทั้งหลายท่านมีปัญญาท่านเลยทนอยู่ได้ทั้งสี่อสงไขยแสนกับเพราะท่านรู้ว่าอะไรเป็นอะไรปัญญาของท่านมีเพียงพอว่างัน้นนะที่อดสรุปว่าที่ทนอยู่ได้เพราะมีสัจจะที่อดทนอยู่ได้เพราะสละจาค่เป็นนักเสียสละแล้วก็อดทนอยู่ได้ก็เพราะสงบบาปอากุศลสงบความโกรธ ความคิดหมกมุ่นแล้วก็มีปัญญาฉลาดซะอย่างเดียวทำอะไรก็สำเร็จ่งั้นทนได้รอได้นี่นะอย่างนักวิจัยทั้งหลายเนี่ยนะถ้าไม่ไม่ใช่พื้นฐานนักอดทนยิงเกงยากที่จะวิจัยอะไรประสบความสำเร็จพวกนี้ทดลองครั้งแล้วครั้งเล่าทดลองแล้วแล้วเล่าๆอย่างพระโพธิสัตว์ทั้งหลายเนี่ยก็คือนักทดลองนักธรรมวิจัยเนี่ยนะ ถ้าอย่างคนที่จะวิจัยอะไรสักอย่างหนึ่งนะเขาจะวิจัยแค่บๆ แ, แ, แ, แต่พระองค์วิจัยเพื่อให้รู้ยิ่งสิ่งที่ควรรู้ยิ่งวิจัยว่ากําหนดรู้สิ่งที่ควรกําหนดรู้ละสิ่งที่ควรละอะไรที่จะต้องทําให้แจ้งอะไรที่ต้องเจริญแล้วมาแบ่งด้วยนะว่าไอ้สิ่งที่ควรรู้ยิ่งนับหนึ่งสองาสี่ห้าหเจ็ดแปดเบแบ่งได้ไหมมีกี่กลุ่มกี่หมวดกี่หมู่สิ่งที่ควรกําหนดรู้เนี่ยมาแบ่งเป็นนับเป็น123่งสองามสี่ห้าเจ็ดปดเ เป็นต้นได้ไหมสิ่งที่ควรละนับหนึ่งสองสา0สี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนับเป็นสิบสองนับเป็นสิบห้านับเป็นสิบแปดนับเป็นร้อยแปดนับเยอะแยะได้ไหมวิจัยอย่างละเอียดละ อ, อ่สิ่งที่ควรเจริญเนี่ยอะไรต้องเจริญมั่งนับหนึ่งสองสา0สี่ห้า1 2, 3, 4เจดแปดเก้าสิบสิบเอดสบสองสิบสามสิบสี่สิบห้า นับเป็น16นับเป็น18นับเป็น20่สบสานับเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนท่านนับของท่านได้ก็คือวิจัยเลือกเฟ้นแล้วแล้วเล่าๆเพิ่มพูนแล้วก็แล้วต้องทําให้แจ้งอะไรบ้างเป้าหมายที่สุดแต่ละอย่างอยู่แค่ไหนที่ไหนอย่างไรเมื่อไหรแล้วก็วิจัยอยู่นั่นแหละท่านถามว่าถ้าไม่มีปัญญาเนี่ยจะอดทนขนาดนั้นเลยหรือเพราะฉะนั้นอธิฐานธรรมคือสัจจะจาคะอุปสมะและปัญญานี่แหละที่ทําให้อดทนอยู่ได้นั่นะ ไม่พอแปลกใจว่าบางเรื่องว่าพระโพธิสัตว์ท่านทนทําไมแต่สังเกตดูหลายๆพบหลายๆชาติทนทําไมอ๊ยถ้าเรา อ, อ, อย่าว่ามาด่าเราเลยเราด่า ก, ก่อนแล้วอะไรเราเก่งมากใช่ไหมอย่าว่ามาทําลายเราเลยเราทําลายเขาก่อนเพราะเราฉลาดกว่าใช่ไหมที่ไหนได้ <segundo> พระโพธิสัตว์ท่านไม่ได้คิดแบบเราร้อโอกเนี่ยนะก็เนื่องจากว่าพระโพธิสัตว์ไม่คิดแบบเราท่านเลยเป็นพระพุทธเจ้าเขาคิดแบบเราเราก็อยู่ของเรามาตั้งนานเนี่ยนะเฝ้า <PEAK> e สังสารวัฏตั้งนานเนี่ยนะ สรุว่าแบบเรากับแบบพระพุทธเจ้าไหนดีกว่ากันเนี่ยนะแบบเราก็บแบบพระโพธิสัตว์สรบกกะทิ้ไงไอ้แบบเราซะตามแบบพระโพธิสัตว์ท่านดีกว่าตามแบบพระพุท ธ, ททบบทธเจ้าดีกว่าคิดแล้วประสบความสําเร็จคิดแบบเราล่ะมีทุกขเป็นเบื้องหน้าแล้วนมีทุกอย่างลงแล้วยิ่งฉลาดคิดเท่าไราตามแนวของเราเนะ ย, ยิ่งทุกข์มากขึ้นเท่านั้นดูเหมือนฉลาดในตอนต้นแต่ในที่สุดเนี่ยเราโอ้ยทําไมเราโง่ขนาดนั้นเนาะส่วน คนที่มีความภาคเพียรเนี่ยนะภาคภาคเพียรพยายามเป็นคนที่ทำอะไรได้มากและต่อเนื่องยาวนานเนี่ยคนนี้คือคนที่เรียกว่าคนที่มีความเพียรคนที่มีความภาคเพียรกล้าทำในสิ่งที่เขาทำ ว, ว, าวิริยะนี่แปลว่าการงานของคนกล้านะวิริยะนั้นอธิบายเป็นความกลา้าเช่นราชสีใช่ไหมวิริยะบารมีนี่เปรียบเหมือนอะไรเปรียบเหมือนราชสีวีรกรรมทั้งหลายก็มาจากวีรวิริยะเนี่ยแหละเรียกว่าวีรกรรม ก็คืองานของคนกล้ากิจกรรมของคนกล้าเรียกว่ามีวิริยะคนที่จะมีวิริยะอย่างนี้เนี่ยจะต้องดารงอยู่ด้วยอธิฐานธรรมสิเพียงอยู่ได้เพราะพูดไว้แล้วว่าจะทำเพื่อประโยชน์แก่ผู้อื่นเพราะปฏิญญาไว้แล้วว่าเราเรารู้แล้วจะให้ผู้อื่นรู้ด้วยเราข้ามแล้วจะให้ผู้อื่นข้ามด้วยที่เพียนอยู่ทุกวันก็เพราะพูดไ้แล้วถ้าไม่พูดก็ว่าไปอย่างนี้ได้พูดไปแล้ว เขาอืนเขาก็รู้กันทั่วบ้านทั่วเมืองเป็นต้นเนี่ยเพราะเราพูดไปแล้วว่าเราจะช่วยเขาเป็นต้นเนี่ยนะกรแถลงนโยบายไว้เรียบร้อยแล้วนั่นเรื่องแล้วเมื่อแถลงนโยบายไว้เรียบร้อยแล้วจะไม่ทําตามนั้นได้อย่างไงนี่ต่อไปบอกว่าที่คนที่มีความภาคเพียรพยายามอยู่ได้ก็เนื่องจากมีจาระเนี่ยนะก็เนื่องจากสละเรียกว่าเป็นผู้ที่เสียสละ สละมากจริงๆนะจริงจะเพียรได้นะอย่างอย่างสมมุตินะอย่างพูดถึงเขายกย่องทหารเนี่ยนะโอ้ยวีรกรรมเป็นผู้กล้าเป็นนักเสียสละสละชีพเพื่อชาตินหมือนกันเถอะหมายถึงว่าสละอะไรบ้างสละตั้งแต่ครอบครัวบุตรภริยาสละทุกอย่างมาเป็นทหารในที่สุดยังในที่สุดอย่างสละชีพเราจชื่นชมว่าสละชีพเพื่อชาติฉันใดพระโพธิสัตว์ทั้งหลายที่ทํากิจกรรมแบบคนกล้าอยู่ได้ก็เนื่องจากนักเสียสละเนี่ยนะสละมีอะไรบ้างท่านสละไม่ได้ ถ้าเพื่อโพธิญาณก็ว่างั้นถ้าเพ Ex ื่อโพธิญาณเหมือนบางคนเนี่ยนะก็อย่างสมมุติว่าเขาทุ่มเทให้อะไรกับอย่างหนึ่งเนี่ยที่เขาต้องการบอกมีอะไรบ้างที่เขาสละไม่ได้อย่างบางคนที่ต้องการอำนาจเนี่ยนะอย่างบางคนที่ต้องการอำนาจจริงๆเนี่ยฆ่าได้ทุกอย่างที่ขวางหน้าทำลายได้ทุกอย่างที่ขวางหน้าขอให้ตัวได้มาซึ่งอำนาจฉันใดอันนี้นี่พูดถึงฝ่ายดีนะไม่ได้พูดถึงว่า เออคนชั่วเขายังทําชั่วเขายังทําอย่างนั้นได้แล้วคนดีล่ะอย่างพระโพธิสัตว์ทั้งหลายเนี่ยท่านจึงสละได้จริงๆเนี่ยนะสละเป็นนักเสียสละสละทุกอย่างเนี่ยนะมีใครมั่งสละแม้กระทั่งทรัพย์ทุกชนิดสละบุตรภริยาสละอวัยวะสละชีวิตเนี่ยนะแล้วก็สละอรหัตผลที่อยู่ในเงื้อมมือเพื่อจะมาเจริญกุศลเนี่ยนะสละมรรคผลที่อยู่ต่อหน้าเลยนะไม่เอาเนี่ยนะไม่เอาแล้วมายว่าไม่เอาบอกว่า เหมือนกับว่าตัวเองเนี่ยมีทรัพย์พอที่จะมีอาหารบอกว่าถ้าตัวเองดื่มนะสบายเลยตัวเองดื่มกินเนี่ยสบายบอกว่าแต่คนหิวเนี่ยเต็มไปหมดกลืนไม่ลงเนี่ยนะเพราะว่าถ้าทุกคนไม่อิ่มนะไม่กินไม่ขอกินเพราะฉะนั้นจะต้องมาช่วยกันทําจะต้องมาทําให้มันต้องอิ่มทุกคนนี่สิอิ่มคนเดียวทําไม่เป็นกลืนไม่ลงระวังกันบรรลุมรักผลแต่เพียงผู้เดียวมีประโยชน์อะไรเพราะฉะนั้นบรรลุไม่ได้ทําใจไม่ได้ที่จะบรรลุแต่เพียงผู้เดียว ท่านพระองค์นีคิดอย่างนั้นพระองค์ก็เลยบำเพ็ญบารมีจนเป็นพระพุทธเจ้านั่นเองานพวกเวิริยะภาคเพียรอยู่ได้ก็เพราะว่าสละสละความสุขส่วนตนสละประโยชน์ตนโดยประการทั้งปวงแต่ก็เนื่องจากสงบอากุศลได้ถ้าเป็นคนที่อากุศลหนักจริงๆเนี่ยทำไม่ได้หรอกภาคเพียรในการเจริญกุศลไม่ได้เนื่องจากท่านสงบบาปสงบอากุศลหยุดและก็ต่อไปก็เนื่องจากท่านมีปัญญาอย่างยิ่ง มีปัญญามากเนี่ยนะไอความที่มีปัญญามากนี่แหละจึงทำให้ภาคเพียรพยายามอย่างบางคนเนี่ยนะว่าโอ้ยทำไมขยันเหลือกเกินทำงานตั้งแต่เช้ามืดเดึกเดินก็ไม่ลอมเลิกไม่ไม่พูดแบบทางโลกเลยนะเพราะอะไรเพราะเขาเห็นผลกำไรของการทำอ่ะนะคิดได้เลยว่าแม้กระทั่งนาทีหนึ่งตัวเองได้รายได้เท่าไหร่แต่ละนาทีที่ทำทำทำ ท, ำทำไปเนี่ยมัน ควรจะได้รายได้เท่าไหร่คืาคำนวณเบ็ดเสร็จหมดแล้วรอบรู้หมดแล้วว่าการลงทุนครั้งนี้ผลคืออะไรถามว่าเขาสู้ใจขาดไหมว่าเขาสู้ใจขาดเพราะเห็นผลกําไรอยู่กับมือพระโพธิสัตว์ทั้งหลายก็เป็นผู้ที่เห็นผลแห่งบุญเป็นผู้ที่รู้ผลแห่งบุญอย่างพระองค์ก็บอกว่าถ้าใครรู้ผลแห่งการให้ทานเช่นกับเราถ้าไม่ได้ให้ก่อนก็ไม่บริโภคอันนี้ใ น, นิทานศนะีลถ้ารู้ผลแห่งศีลเช่นพระองค์ พระ อ, องค์จะไปฆ่าสัตว์ทําไมพระ อ, องค์จะไปทําทูตศีลได้อย่างไรเพราะะฉนั้นพระองค์นี้เห็นโทษของกรารมทั้งหลายพระ อ, องค์จึงเจริญเนคขมมะพันที่ภาคเพียรในการเจริญกุศลทั้งหมดทำทั้งหมดก็เพราะเห็นผลแห่งความเพียรรู้ผลกําไรจากความเพียรทั้งหลายก็เลยเพรันวิริยะที่ดํารงอยู่ได้ตั้งมั่นอยู่ได้ก็เพราะมีสัจจะมีจาคะมีอุปสมะและมีปัญญาเนี่ยนะพัน คนที่ดูถ้าสมมติะใค ร, ใค ร, ใครจะเช็คว่าไอคนนี้มันขยันจริงหรือดูว่ามีสัจจะแค่ไหนถ้าเป็นคนไม่มีสัจจะเลยบอกแย่ไม่รอดแล้วก็สองจ่าค่าเขามีแค่ไหนทําเป็นเพียนแบบนี้แล้วเห็นแก่ตัวมากหรือสละมากก็ดูจากความเสียสละแล้วก็ดูว่าจริงๆแล้วชีวิตเขากุศลมากหรืออกุศลมากแล้วสุดท้ายโง่หรือฉลาดเนี่ยนะก็ดูจากตรงนั้นฉะนั้นข้าอวตารฐ า, านธรรมนะสี่มาเช็คแล้วก็ดูได้เลยว่า คนนี้ควรจะเพียรขนาดไหนพระพุทธสาสนาทั้งหลายที่ท่านเพียรได้ตลอดก็เนื่องจากมีอธิฐานธรรมสี่ประการทีนี้ส่วนฌานฌานฌานเนี่ยนะเป็นประทัดฐานแห่งอธิฐานธรรมหรืออธิฐานธรรมเนี่ยเป็นเครื่องดูเครื่องตรวจสอบว่าฌานของคนนี้เนี่ยแน่นอนขนาดไหนฌานก็คือกุศลธรรมทั้งหลายเนี่ยเนะช่นฌานคือเมตตาภาวนาเป็นต้นเนี่ยน ะ, ะดูว่าหนึ่ง เขามีสัจจะเพราะคิดถึงประโยชน์ของโลกตามสมควรแก่ปฏิญญาปฏิญญาไว้แล้วว่าเราโล่งใจแล้วเนี่ยนะเช่นตรัสรู้ข้ามพ้นบรรลุปริณิพานเป็นต้นเนี่ยนะแล้วสัตว์เหล่านั้นจะได้ประโยชน์ได้อย่างไรเพราะมีสัจจะว่าปฏิญญาไว้แล้วว่าจะช่วยให้เขาได้รับประโยชน์และความสุขเพราะฉะนั้นก็เลยฌานนี่บางทีภาษาไทยปแปล ว, ว่าเพ่งก็ได้ปแปล ว, ว่าคิด คุนคิดหรือแปลว่าหมกมุ่นที่หมกมุ่นว่าหมกมุ่นจะช่วยเขาได้อย่างไรช่วยเขาได้อย่างไรเนั้นเป็นโจทย์ที่เรียกว่าคิดตลอดชีวิตเหมือนกันไม่ใช่ชีวิตเดียวเช่นคิดว่าเขาจะพ้นจากชาติชรามรณะได้อย่างไรเขาจะพ้นจากกรรมได้ยังไงพ้นจากบาปได้อย่างไรพ้นจากทุกข์ได้อย่างไรก็คนคิดครุ่นคิดหาวิธีการที่จะช่วยให้ผู้อื่นพ้นจากความทุกข์นั้นนะาะสัจจะพูดไว้แล้วเหมือนกันเถอะ แล้วก็สละนิวรณ์ออกไปเนี่ยนะพันคนที่เห็นประโยชน์ตนเนี่ยนะคือคนที่มีนิวรณ์กลุ่มรุมใช่ไหมคนมักโลภจะเล็งเห็นประโยชน์ตนประโยชน์ผู้อื่นประโยชน์ทั้งสงฝ่ายประโยชน์โลกนี้โลกหน้าเป็นต้นเป็นไปได้ไหมไม่ได้คนมักโกรธคนเกียจคร้านคนมากไปด้วยความง่วงเหง า, าเสื่องซึมคนที่เดือด ร, ร้อนรำคาญใจคนลังเลสงสยัยพวกนิวรณ์กลุ่มรุมจริงๆเนี่ยนะคิดอะไรออกมั่งยากเพราะงั้น เพ้นต้องจาขาที่ฐานพื้นฐานที่เรียกว่าเพ่งอยู่ได้ก็เพราะสละนี่วรได้แล้วก็สงบจิตสงบใจเป็นคนที่มีจิตใจตั้งมัน่นมีจิตใจไม่ฟุ้งซ่านความที่จิตใจตั้งมั่นจิตใจไม่ฟุ้งซ่านความสงบอันนี้นี่แหละทำให้เจริญฌานอยู่ได้แล้วก็มีปัญญามีปัญญารู้ว่าอะไรเป็นอุปการะต่อฌานอะไรไม่เป็นอุปการะต่อฌานนั้นใครที่เจริญฌาน ครุ่นคิดในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นทั้งสมถะและวิปัสสนาก็ตรวจสอบจากสัจจะมีแค่ไหนมีจาคะบ้างไหมอุปสมะเป็นอย่างไรแล้วก็ปัญญาขนาดไหนนี่อีกในหนึ่งต่อไปบอกว่าปัญญาปัญญาที่ฐานเนี่ยนะคนที่มีปัญญาก็เอาบอกว่าปัญญาเนี่ยคนนี้มันจะฉลาดฉลาดแค่ไหนเขาดูอะไรดูจากสัตอธิฐานธรรมสว่า Adobe, ing, oven, เช่นฉลาดในการทําอุบายเพื่อประโยชน์แก่ผู้อื่นตามที่ปติญญาเอาไว้เนี่ยนะฉลาดในอุบายที่ว่าจะช่วยผู้อื่นได้อย่างไรแล้วก็สละจาคาธิฐานก็คือสละการกระทําอันไม่เป็นอุบายเนี่ยนะเคยไอการช่วยเหลือตัวเองบางทีช่วยเหลือผู้อื่นได้เนี่ยนะมันจะต้องสละประโยชน์ส่วนตัวออกไปบ้างเหมือนกันนะที่จะช่วยเหลือผู้อื่นได้ก็ต้องเหน็ดเหนื่อยเพื่อนสละความสุขส่วนตนเนี่ยนะออกไป แล้วก็ต้องสงบความเร่าร้อนที่เกิดจากความโง่ต้องสงบความโง่ได้เนี่ยนะเพราะเป็นงานของผู้ที่มีปัญญาที่ไม่โง่เขลาแล้วก็ทำให้สาเร็จความเป็นพระสัพพัญยูปัญญาที่ฐานนี่แหละที่ทำให้สาเร็จพระสัพพัญยูหรืออีกในหนึ่งเนี่ยนะทที่ตั้งที่เรียกว่าอธิฐานธรรมสีเนี่ยนะเป็นคุณธรรมที่รองรับความเป็นพระพุทธเจ้า แล้วถามว่าตัวอะไรมันหนุนอธิฐานธรรมก็บอกว่าทานเป็นตัวหนุนสัจจะจาคะอุปสมะและปัญญาศีลศีลก็เป็นตัวอุดหนุนอุดหนุนสัจจะจาคะอุปสมะและปัญญาต่อไปขันติขันติก็เป็นตัวอุดหนุนทําให้สัจจะดํารงมัน่นจาคะดํารงมัน่นอุปสมะดํารงมัน่นปัญญาดํารงมัน่น แล้วก็เพราะมีวิริยะนี่แหละทาให้สัจจะดํารงมั่นจาคะดํารงมั่นอุปสมะดํารงมั่นแล้วก็ปัญญาดํารงมั่นแล้วก็เพราะมีฌานมีปัญญานั่นแหละสัจจะทิ่ฐานจาระทีฐานอุปสมาธิฐานปัญญาทีฐานจึงดํารงมั่นหรือบารมีหข้อที่กล่าวไปเป็นตัวอุดหนุนอธิฐานธรรม4 ทำให้อธิฐานธรรมสี่มั่นคงยิ่งยิ่งขึ้นไปเนี่ยนะหรืออธิฐานธรรมสี่เป็นตัวที่ทำให้บารมีทุกข้อมั่นคงไม่งั้นเนี่ยเรียกว่าถ้าพูดแบบภาษาธรรมะเนี่ยการสร้างตึกก็คือการยึดยึดเหนี่ยวกันเนี่ยนะทำให้แต่ละตัวแต่ละตัวมันเกิดความมั่นคงได้อย่างไร เรว่าธรรมะที่ทําให้คุณธรรมเนี่ยมั่นคงเพราะบุญในโลกของบุญเนี่ยนะมันมีบุญมายึดกันเองนี่บุญมายึดกันเนี่ยนะว่าเช่นความมั่นคงทางกําลังร่างกายใช่ไหมสิรีระของเราเนี่ยมีอะไรเป็นตัวยึดตัวประสานทําให้มีความเป็นไปใช้ชีวิตได้อย่างกลมกลืนใจก็เหมือนกันใจที่เป็นบุญก็เหมือนกันมีบุญกุศลมาเป็นเครื่องเครื่องอุดหนุนเครื่องเกื้อกูลเครื่องช่วยเหลือกันเยอะเพราะในโลกของนามธรรมา ท, ทั้งหลายยังมีเรื่องของกุศลอะไรอีก มากมายที่เราจะต้องเรียนรู้เนี่ยนะเพราะฉะนั้นอธิษฐานธรรมเหล่านั้นสัจจาทิฏฐานจัดเป็นการปฏิญญาเพื่อการตรัสรู้พระพุทธเจ้าถือว่าเป็นผู้ที่ปฏิญญาเพื่อพระโพธิสัตว์นะปฏิญญาเพื่อความเป็นพระพุทธเจ้าอันนั้นเป็นสัจจาทิฏฐานดํารงมั่นแล้วว่าจะต้องเป็นพระพุทธเจ้าสองจารคาทิฐานคนที่จะเป็นพระพุทธเจ้าได้จะต้องสละวัตถุกรรมและกิเลส ก, การมสละหาประมาณไม่ได้ สละวัตถุเนี่ยนะหาประมาณไม่ได้สละอากุศลออกไปอย่างชนิดทเดียวไม่ใช่สละครั้งเดียวสละแล้วแล้วเล่าเล่าสละแล้วแล้วเล่าเล่าว่างั้นแล้วก็อุปสมะสงบทุกขอันเกิดจากโทษทั้งปวงโทสะก็คือโทษโทษอะไรโทษที่เกิดจากบาปอากุศลทุกชนิดจะต้องสงบบาปอากุศลธรรมสารพัดอย่างแล้วก็มีปัญญาที่ฐานดํารงมั่นอยู่ในปัญญาตรัสรู้ตาม และก็การรู้แจ้งแทงตลอดก็คือช่วงที่เป็นพระโพธิสัตว์ทั้งหลายก็เรียนรู้วิชาความรู้จากพระพุทธศาสนาไว้เป็นอย่างดีจากครูบาอาจารย์ทั้งหลายผู้มีวิชาความรู้เป็นอย่างดีในที่สุดบุญกุศลคุณงามความดีที่สะสมไว้ก็ทำให้แทงตลอดสัพพันญูบรรลุความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ในที่สุดเนี่ยนะ ส่วนรายละเอียด ต, ต่อไปก็คงไว้ครั้งต่ อ, ตอไปกันแล้วกันสำหรับวันนี้ก็ใช้เวลาแต่เพียงเท่านี้นนะในที่สุดนี้ก็ขอให้ทุกท่านได้ดำรงมั่นอยู่ในอธิฐานธรรมสี่ประการซึ่งเป็นคุณธรรมที่ช่วยนาออกจากกองทุกข์ขอให้ประสบแต่ความสุขตลอดไปวันนี้ใช้เวลาแต่เพียงเท่านี้